วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าในโรงอุโบสถภิกษุทั้งหลายพึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอย่างนี้ในเบื้องต้นพึงทักนิมิตครั้นทักนิมิตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้านิมิตระบุไว้โดยรอบเพียงใดถ้าสงพร้อมกันแล้ว ทรงพึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิตเหล่านั้นนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้านิมิตระบุไว้โดยรอบเพียงใดทรงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิตเหล่านั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิตเหล่านั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ ทรงได้สมมติแล้วด้วยนิมิตเหล่านั้นแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้